นั่งภาวนาเลยอย้ๆ ไ, ไ, ไหมไหวไหมใครไม่เคยทำงานตากแดด นี่ก็ที่มาก็ตน้นตระเวนางพิษุณีเราพิจารณาถึงเรื่องนางพิษุณีนี้ต้นต่อมาไม่ง่ายนะมายากมากเพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าเป็นพระน้านางว่างั้นเถอะเป็นน้องของพระนางสตรีมหามายาพอพระนางสตรีมหามายา สวรรคตที่วงคตท่านใช้คำวมาที่วงคตพ <Okay. S 1> ระนางประชาบดีโคตมีครับเลี้ยงดูศิท ธ, ธะสืบต่อมาถึงจะมีพระราชโอรสพระราชธิธิดาคือนันทะกับรูปนันทาก็ตามยังมีความรักไม่เท่า เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันจนถึงการถึงคราวที่ อ, อ, อภิเศกพระชา ย, ยากับพนางพิมพาเดงานหนเมื่ออายุสิบหกอภิเศกสมรสเมื่ออายุสิบหก อยู่ร่วมกันเป็นเวลากี่ปีกว่าอายุจะยี่สิบเกเกปียี่สบ้าพัากับพนางปิมพาเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหลายปีมีพระราหุนหนึ่งคงระยะไล่เลี่ยกันกันกบกี่พระราหุนอุบัตินี่ยพระองค์ก็เสด็จออก พิเนสุกรมเสด็จออกบวชพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบวชทิฏฐิกาเสด็จออกบวชทาความเพียรเป็นเวลาถึงหกปีกว่าจะได้บรรลุธรรมตัสรุตตัสรุเป็นปะสมาสัมโพธิญาณแล้วก็เป็นปีที่ถลายนะที่ออกบวชกันหมดมที่เจ้าสุดโทษนาก็สวรรคตแล้ว เจ้ชายทั้งหลายก็าพากันออกบวชกันหมดแล้วพระอานน์พระอนุทัศน์มานามะอะไรออกบวชกันหมดทีนี้พระนางพระชาปณีโคตมีถือว่าหมดภา ร, ระแล้วในการที่จะดูแลปกครองบรมวงศสานวงศ์เลยสลาราชสมบัติตอนนั้นที่จะสุโธธนะได้ยกราชสมบัติให้กับพระมานามะแล้วตอนนั้นนะ สมานามะออกบวชก่อนเสร็จแล้วก็กลับไปครองปกครองเป็นดินต่อเหลือแต่พระอนุรุทธะพี่น้องกันทั้งสองคนเหลือแต่บพระอนุรุทธะพระอ น, นนกิมพิละพระเทวทัตออกบวชพวกเจ้าชายที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนี่ก็ออกบวชกันหมด พนางประชาบดีกตมีก็มีความเพิ่มสายศรทัทธาทุกคนเข้าไปหาพระพริธเจ้าที่ไรเมื่อไรใครเข้าไปก็บวชกันหมดใครก็ไปตามหาก็บวชกันหมดในสี่สุนางก็ออกบวชเสียสละหมดออกไปก่อนนางพิมพาพนางพิมพามีความเพิ่มสายศรถถัทธาอยากจะบาเพ็ญถึงจะทุกข์ยากลาบาก ก็จะตั้งอกตั้งใจทำเพราะบนเส้นทางที่จะใช้ศีทธรได้บำเพ็ญจนได้บรรลุปเป็นปะสมาสัมโพธิยานีเป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเมื่อตัดสินใจเสร็จแล้วก็บอกออกโกนโกนพระเศียรเนี่ยโกนหัวโกนผมพร้อมทั้งนางสากิยานีเป็นบริษัทบริวารทั้งห้าร้อเนี่ย มาที่นี่ที่ปามหาวันนี่แหละออมาขอหลายวาระก่าจะได้อนุญาตก่อนที่จะได้รับอนุญาตผุ้ธิจยาวทรงปรึกษาหารือกับคณะสงฆออ์แล้วก็ตั้งเป็นกฎขึ้นมากฎนี้เท่ากับเป็นกฎเหล็กเลยแหละวังนะั้นถ้าไม่สู้ก็เป็นพิษณีไม่ได้ถ้า พระนางยอมรับครุธรรมเปดประการความเป็นภิกษุณีจงเป็นของนางเถอเลยให้พระอนุนม า, ามาถูให้ฟังาข้อหนึ่งเป็นงั้นข้อสองข้อสามข้อสี่ภิกษุณีหลังจากบวชแล้วต้องบวชในสงฆ์สองฝ่าย ก่อนที่จะบวชในคณะสงฆ์ภิกษณุณีต้องอยู่เป็นสมนัมเณีสัมมณีนก่อนสองปีถือศีลหกข้อหลังจากบวชมาแล้วบวชในคณะสงฆ์ภิกษุณีสงแล้วก็ต้องมาบวชกับพระภิกษุสองฆ์อีกรอบหนึ่งถึงจะสําเร็จรูปเป็นภิกษณุณีแต่สําหรับนางประชาบดีโหต้ามีอนนั้นเป็นพิเศษเป็นกรณีพิเศษ พระพุติเจ้าท่านให้บวชเท่ากับเอหิภิคูประสัมพันเลยแหละถ้าหาพระนางยอมรับครุธทําแปดประการการสําเร็จเป็นพระภิกษุณีจงเป็นของนางเถิดนานครุนางก็ยินดียอมรับครุธทําแปดประการก็มีอ่าแต่ละข้อแต่ละข้อรู้สึกว่าจะทำตามได้ยากมากแต่ก็ดีอกดีใจเพราะว่าเป็นเส้นทางที่จะตั้งใจปฏิบัติเพื่อชะเพื่อล้างเพื่อขัดเพื่อเปล่า บนเส้นทางที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ยินดีพอใจอย่างยิ่งนางพิสณีบวชมาแล้วถึงแม้ ว, ว่าจะมีอายุปรรษาทั้งร้อยร้อยปอีจะต้องทางความคารพพระสงฆ์ที่บวชในวันนั้นแน่ไม่ถือตัวไม่ถือมถือตัวต้องจำพรรษาในวัดที่มีพระสงฆ์อยู่เป็นเพื่อนอ สบายงานางสิกขมานาที่จะมาบวชเป็นเป็นสา ม, มนเณรสองปีถือศีลหกข้อถือศีลห้าแล้วก็เพิ่มเป็นอีกวิการแลโภชนาเต็มข้อเป็นหข้อรักษาสองปีเต็มๆในระหว่างสองปีถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งนับใหม่นับหนึ่งใหม่แล้ว อ, อีกไม่กี่วันขาดศีลข้อใดข้อหนึ่งนับใหม่อีกนับหนึ่งถึงถึงถึ ง, ถ ง, ถงสองปีอีกเนี่ย เพราะฉะนั้นพิสุนีจึงศูนย์จึงเสื่อมศูนย์จึงศูนย์ไปเร็วมากพุทธเจ้าท่านเห็นว่าการที่มีภิกษุกับพิสุนีมาอยู่ด้วยกันนั้นมันเป็นการดูแลยากรักษายากรักษาลำบากเรื่องของกามคุณทั้งหลายทั้งปวงนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดูแลรักษายากมากถ้ามีสิ่งเหล่านี้มาอยู่ด้วยกัน มองเห็นว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นภัยแต่มันปฏิเสธไม่ได้เพราะความฉลาดของพระอานนลังาว่าผู้หญิงสามารถทำมรรคทำผลได้ไหมบรรลุเป็นพระราษฎรได้ไหมพุทธเจ้าไปยอมรับหมดทุกอย่างยังนั้นพระน้านางของพระองค์เป็นผู้ที่มีบุญมีคุณกับพระองค์อย่างนั้นอย่างนั้นรับเพียงต่อมาจากพระราศีมหามายาเป็นระยะเวลาท่านนท่าั้นเท่นั้น ก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสว่าถ้าเธอยอมรับครุธรรม8ปประการความสำเร็จเป็นภิสุนีจงเป็นของนางเถิดนางเถิด น, น, น, น, นี่กว่าจะมาตรัสถึงขนาดนี้โอ้ได้พูดกันสร้านนวามเสีสละกับพระพุทธเจ้าทั้งนานพอพระพุทธเจ้าจอนุญาตหลังจากนั้นมาก็เลยจึงมีคณะพิกษุนีเป็นพุทธบริษัทพิษุพิสุนีอุบาสิกา เท็จริงถ้าเรามาพิจารณาตามหลักคําสอนของพระองค์แล้วการตั้งใจปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเพศใดไม่ว่าจะเป็นภาวะใดมุวยใจมีความรับรู้รับทราบรับรู้สุขรับรู้ทุกและทุกคนอยากรักสุขเกลียดทุ ก, ดกันทุกคนเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติของพระองค์นั้นเป็นวิธีธรรมชาติเพื่อที่จะไปสงบระงับดับธรรมชาติ ธรรมชาติคือกิเลสตัณหาอาสวัตหนวยใหญ่สามารถที่จะทำได้ทั้งนั้นแหละแต่ด้วยเหตุที่มีภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์อยากมีด้วยอยากบวช ด, ด้วยอยากเป็นด้วยเลยอนุญาตให้ภิกษุภิกษุณีทีนี้อายุยังไม่ถึงยังเสียบสมในราหุลเนี่ยต้องให้บวชเป็นเนนเพราะอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีก็ถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าเราจะว่าไปแล้ว อ่าเพราะฉะนั้นจึงคอยให้อายุยี่สิบปีถึงได้บวชเป็นพระเตรียมเตรียมพร้อมความเป็นพระกว่าเป็นสา ม, มเณรหมายว่าเตรียมพร้อมความเป็นพระแต่การที่จะได้บรรลุธรรมไม่มีอะไรขีดไม่มีอะไรกัน้นอย่างพระราหุลเนี่ยก็บรรลุธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบสา ม, มเณรราหุลบรรลุธรรมไปแล้ว ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเจดขวบไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็ส ม, มัครบรรลุได้อายุเจ็ดขวบบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างนางั่งวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบโสปาตสมณะนิสังกิจจสมณะนิปิษะสมณะนิพวกนี้ได้เป็นบรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแสดงว่าบุญญาธิการเขายิ่งใหญ่มาแล้วพอมีโอกาสอย่างจิต กระลึกย้อนมาที่ต้นต่อเหตุสุขเหตุทุกข์มันก็โร่ขึ้นมาบุญเก า, ม, เามีบุญก็พร้อมบุญก็ถึงพร้อมที่จะได้บรรลุธรรมได้เหมืนอยางติศะสมณีนติศะซึ่งเป็นสมณีของอุปถาปสาทิบุตรเนี่ยก็บรรลุธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเนี่ยอายุเจ็ดขวบไปบวชไปบวชอยู่เนี่ยพ่อแม่ก็เลยไปอยู่ด้วยเพราะยังเล็กเกินไป พ่อแม่อยู่ด้วยหกวันเจ็ดวันพอวันที่แปดพ่อแม่กลับพ่อแม่กลับไปก็ไปบินทบาตไปบินทบาตกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกไปเห็นเขาไขน้ําข้าวนานถามทางพระสารีบุตรน้ํามันมีวิญญาณไหมทำไมเขาเขาไขข้าวนาได้น้ํ า, น า, นานไม่มีวิญญาณน้ํ า, นานไม่มีวิญญาณแต่เขาสามารถไขข้าวนาได้ เห็นเขาถากไม้ไม้งอๆเขาถากให้ตรงไม้มีวิญญาณไหมไม้ไม่มีวิญญาณไ ม, ไ ม, มญญณ้ไม่มีวิญญาณเขาสมัครดัดให้ตรงได้ mm hmm. ถามอะไรมรรลุสองอย่างสามอย่างสี่อย่างใน่สุดเลยไม่อยากไปบิณฑบาตแล้วเดินคุยกันไปบิณฑบาตนะอยากกลับอยากกลับที่พักสารีบุตรก็ให้ให้ลูกเจมมากลับมาที่พักแล้วมาตั้งใจภาวนา ต้องใจภาวนาไม่นานก็ได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายน ะ, ะพระสารีบุตรก็ก่อนที่จะกลับก็ บ, บอกฟาด้วยให้บินบินบัตรปราตะเพียงมาปราะเพียนมาแจกฉันด้วยเ่างั้นโอ้ยใครจะใส่บาตรลปราตเพียนเนอเอาเถอะถ้าไม่ได้บุญของท่านก็ อ, อาจจะได้บุญจะได้ไดยบุญของผมงั้นะ สมณีนเคยทำบุญเกี่ยวกับปลาตะเพียนมาก่อน่างนั้นทีนี้พระรดบุตรไปบิณฑบาตอุปผาก็มีอาหารเป็นปลาตะเพียนเลี้ยงถวายท่านเสียเรียบร้อยแล้วก็ฝากมาให้เลนอีกด้วยคืออาหารมาหลวงพเจ้าเร่งดูตลอดระยะเส้นทางสมณีนทิศายังไม่ได้ถึงที่สุดแห่งธรรม ถ้าลอยให้พราบุตรไปตอนนี้ก็เป็นไปการไปขัดจังหวะสามเณรในที่สุดก็เลยพระริเจ้าเนรมิตมาคุยกับพระารบุตรก่อนจนสามเณร น, นั้นได้บรรลุธรรมผ่านพ้นไปแล้วจึงปล่อยไปปล่อยพระสารีบุตรไปพระสารีบุตรไปก็เอาอาหารไปวางให้สามเณรอ่ะอาหารได้มาแล้วฉันกันเถอะสามเณรก็อิ่มกับความหลุดพ้นนั่นะ ยิ่งกับบุญที่กําลังหลุดพ้นเป็นพระอาหารใหม่ๆสดๆร้อนๆเนี่ะพอพราไปฉายะไปนั่งพระสารีบุตรไปนั่งเราพัดมาวีมาอะไรให้ไม่สนใจเรื่องใจฉันจะอะไรก็อะไรจนพระสารีบุตรบอกเออไปชั้นเถะไปชั้นเถอะไปชั้นเถอะจึงวางอันนั้นแล้วก็ไปชั้นนี่เนียนติปสักสำเนียเป็นคนมีบุญที่เราพูดถึงนางประชาบดีโคตรมีเนี่ย ในบวชผบวชเข้ามาแล้วได้ไดตั้งใจบําเพ็ญไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ร่มโพลสานทุกคนบรลุเป็นพระอรหันต์ไปตามๆกันมีเราเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างบุญญาธิการที่ยิ่งใหญ่ทุกพกทุกชาติมาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเกิดร่วมสมัยกับพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกันมาทั้งนั้นทําบุญทํากุศลมาด้วยกันทั้งนั้นถึงจะได้มาเกิดกันมาเกิดมาอบัตด้วยกัน แล้วก็มีบุญมีคุณสืบเรื่องแก่กันเลยกันเป็นบริษัทบริวารเกี่ยกันเลยกันมันเป็นเรื่องธรรมดาของกรรมไม่รู้กรรมมนอะมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เป็นไปตามนั้นอะมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เหมือนมันถูกประทับเป็นร่องเป็นรอยเป็นเหตุเป็นผลที่จะคอยสนองผลที่จะคอยทจะคอให้มีความเกี่ยวเนื่องกันผูกพันกันอยู่อย่างนั้นแหละอย่างพวกเราพุทธบริษัท ที่เป็นชาวพุทธเราก็มีเชื้อมีสายหมดแล้วแต่จืบหน่อต่อแขนงมากี่พบ ก, กี่ชาติมาแล้วเราได้ยินได้ฟังในพวกที่เขาไม่เคยเกี่ยวข้องมาเขาไปอุบัติเกิดที่ไหนอะไรที่ไหนที่แอฟริกาที่ไหนก็ไม่รู้แหละถึงตอนั้นก็ตามถ้าคนมีนิสยัยไปเกิดที่ไหนก็จะต้องมีมีเหตุให้เกี่ยวข้องให้ปลูกพันธุ์จนได้แห ล, ละแด้มันเกี่ยวข้อง เพราะมันเป็นเรื่องบุญก็ชักพามาเกี่ยวกับเรื่อง บ, บุญบาปก็ต<ๆ>้องชักพาไปเกี่ยวกับเรื่องของบาปพวกพระพวกพานพวกบัณฑิตมันเป็นหมู่เป็นหมู่พวกบัณฑิตก็ไปเป็นพวกบัณฑิตพวกพานก็ไปเป็นพวกพานพวกบุญก็ไปเป็นพวกบุญพวกบาปก็ไปเป็นพวกบาปกรรมทั้งหลายจำแนกสัตว์กรรมทั้งหลายจำแนกสัตว์นี่ตรงนี้เป็นต้นต่อเป็นที่กําเนดของนางภิกษุณี พิสมีมีความสําคัญเช่นอย่างนางคุณนางพิสณีหลายๆคุณนางพิสณีแต่ต้นกําเนิดบวชที่นี่ไม่ไม่ไม่รู้อีกใครบ้างนอกนั้นก็บวชที่อื่นอย่างที่เชิดตะวันเนี่ยก็เป็นสำนักที่พิสณีไปบวชกันเยอ ะ, ะก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องเกิดขึ้นตรงนั้นมันอย่างที่เราฟังบนรถมา ย, ยางนางปทายจารายอย่เป็นต้น ในสุดกบ้าเพราะทุกยัางกระายจรานิบ้าทุกครอบหัวใจมากๆมีทางออกจนบ้าเนั่นเถอะทุกขนาดไหนทุกถึงกับบ้าบ้าเพราะทุกวันเดียวกันคืนเดียวกันน่ะผัวก็ตายลูกสองคนก็ตายพ่อแม่ก็พี่ชายก็ตาย เพะคืนวันนั้นเป็นคืนที่มีพายุหนักกระนาถล่มปราศาส์เนี่ยทับพ่อทับแม่ทับพี่ชายตายพอดีวันนั้นคืนนั้นตัวเองเนี่ยหนีออกจากปราศาส์ไปไปอยู่กับสามีอกับสามีสามีก็เป็นคนใช้แหล ะ, ะเนเสียถีนางพระธาตุเจราเป็นเสียเป็นเสียถีเป็นคนรูปงามพ่อแม่ขังไว้บนประศาส์เกียรชั้นชั้นเกียรติั่นไม่เคยเกี่ยวข้องกับบุตรที่ไหนเลย กเกี่ยวข้อกับพลชัยตัวอื่นไหนสุดก็สลัะความเป็นโูกเสียทีซะพาห น, นีมาอยู่โดยลําพังมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอาจจะไปคลอดที่บ้านแม่ไปถึงกลางทางก็คลอดสามีก็ตามกลับคืนมาเพราะคนที่สองก็เหมือนกันอีกแหละว่าจะไปคลอดที่บ้านแม่ ถ, มมมมแแมถ้าได้ครื่องทางฝนตกหนักแหละตอนนี้ให้ลูกคนหนึ่งก็เดินพอเดินได้ ทีนี้พอฝนกลาลังตกสามีก็ไปสาวหานน้นหานี่มาทําที่มงมาทําที่บังเพื่อสลับนางประตรจาราทจะคลอดบุตรวันนั้นแต่ไปก็นู่น่ะสามีไปหาก็ถูกงูชกตายงูขัดตายอยูก่ก็ขางจอมปลวกมันในขณะนั้นฝนก็กระนั่มลงมานางเนี่ยก็คลอดบุตรตอนนั้นพอดีเลยเอาตัวเองนีกครอบลูกเอาไว้ใหม่ฝนเปียกทั้งลูก คนที่เดินได้ทั้งลูกคนคนที่ออกใหม่ที่ ด, ดูที่ความทุกข์กขนาดไหนพอฝนตกหยุดแล้วก็ไม่เห็นสามีไปตามหาสามีไปเห็นนอนตายอยู่ข้างจอมปลัวทุกขนาดไหนเรมื่อกีดเจ็หนึ่งทุกจากการคลอดบุตรสองทุกอยากสามีตายแล้วทําไงในความคิดของเราว่านางจะทําไงจะเผาจ ะ, ะไรจะจ ะ, จะทําอะไรได้ก็คงจะทิ้งไว้ย่างนั้นก็ยังไม่เลิกไม่เลิกแล้วที่จะตั้งใจ จะไปที่บ้านพ่อบ้านแม่ทังนั้นที่ททคลอดเลยนะก็อุ้มหนึ่งอุ้มลูกอุ้มบุตรคนหนึ่งจงอีกคนหนึ่งไปไปไปถึงทางที่จะข้ามแม่น้ําอ่ะแม่น้ําก็ไม่ลึกดอกแม่น้ําตื้นๆต่น้นําไหลเชี่ยวอยงนั้นนะที่ลูกสองคนเอาไปรอบเดียวก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้ทีละคนอุ้มลูกคนเล็กไปก่อนลุยน้ําไปน้ําก็คงจะแค่เอวเนะีะมันแตไหลเชี่ยวอยงนั้นนะ ไปไปวางบุตร ค, คนคนคลอดใหม่นึ่วางอยู่ฝั่งนู้นแจะกลับมาเอาลูกคนนี้อยู่ที่ยุกยุกฝั่งนี้เอาไปวางไว้แล้วกลับมาได้เครื่องทางกลับมาได้ครื่งน้นํานำก็ไปเหยี่ยวนะมันไปโฉบเอาบุตรบุตรที่คลอดใหม่ๆแดงๆนัะ่ะเห็นว่าเป็นก้อนเนื้อมันโฉบเอาไปเฉยเลยตกมือไล่เหวียนเถอะพอตกมือไล่เหยียไปลูกคนที่อยู่ฝั่งนี้ก็วิ่งลงไปที่เราแม่เรียบ วิ่งลงไปกันน่าพัดถ้ายไปเลยหมดลูกสองคนสามีก็หมดลูกสองคนก็หมดขึ้นเดินทางไปยังไม่ล่าที่จะไปเยี่ยมป้านไปเดินพบคนระหว่างทางก็ถามขา้าพุทถึงสามีให้ถึงไอ้เสียฐีที่เป็นพ่อที่เป็นแม่อยู่สุขสบายอะไรงไงก็บอกโอ้เมื่อคืนนี้บ้านถลม่มพายุเอฝนกระหน่าบ้านถลม่ม มันพังทับทั้งเทพธิดทั้งปริยาทั้งอืบุตรชายเนี่ยตายอยู่ด้วยกันในคืนวันนั้นพอได้ยินว่าพ่อก็ตายแม่ก็ตายน้องพี่ชายก็ตายสามีก็ตายไปแล้วลูกสองคนก็ตายไปแล้วหมดไปหกค น, นชัว่วเท่ากับชัวบ่วพริบตาเดียว น, ยนางนี่ทุกทุกทับถมหัวใจจนเป็นบ้าเลยนะเป็นบ้าเลยเนี่ยดึงเสือ้อดึงผ้าพรานไรที่หมดเลยเนี่ เป็นคนวิกจริตไปแล้วไปตรงไหนเขาก็ไล่บ้ายายบ้าไปตรงไหนเขาก็ไล่ย้ายบ้าไปตรงไหนเขาก็ไล่ย้ายบ้าแต่บุญเก่าเขามีเดินไปเดินไปก็ไปถูกคนต่างที่พุทธิจักําลังแสดงธรรมอยู่คนทั้ไหลายเขายามไล่ย้ายบ้าหลีกไปย้ายบ้าหลีกไปด้วยเจ้าอยู่ในไร่ดาวของพระองค์หมพระองค์ให้เธอมให้เธอเข้ามาให้เธอเข้ามาเพรอไปอยู่ในรัตสมีของพระองค์พระองค์ก็แผ่เมตตามาตระนางก็รู้นางก็ค่อยรู้สึกตัวขึ้นมา พรู้สึกตัวขึ้นหมักตั้งอกต้งใจฟังจิตใจก็เข้าถึงกระแสธรรมได้เข้าถึงกระแสธรรมได้คนก็ไปโยนเสื้อผ้าให้นุ้งให่มในสุดนานก็ได้บวชบวชไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่เราดูเถอะความทุกข์มันทับทมหัวใจทุกขนาดไหนทุกเป็นบ้าพวกเราทั้งหลายเคยได้รับความทุกข์มาด้วยกันเหมือนกันแต่เราไม่เคยได้รับความทุกข์ถึงขั้นนั้นถึงกระดับนั้น ถ้าเผื่อใครไปประสบพบเห็นไปเจอในชีวิตการเป็นอยู่การธรรมากินทุกอย่างลำบากขั้นไหนระดับไหนก็ตามคิดว่าพวกเรายัางไม่ถึงนางปต า, าราการะแล้วกันนะเอามาเป็นข้อตัดสินแล้วก็หันหน้าหันกระ บ, บอกปืนจอ่อสู้เข้าไปเลยแหละปือเจาท่านไม่ให้หลกนะเรามีความทุกข์มาผูกพันกับชีวิตจิตใจของเราท่านให้จ่อเข้าไปโอ้โหเรามีความทุกข์เป็นธรรมดา เรามีความเก็บมีความไข้มีความพิโยกมีความพลาดพลาดเรื uma, useum, ่องธรรมดาเพราะชีวิตทางชีว <ER ิตนี Maria, ่คือก้อนปัญหาทุกอย่างก้าวเราจะต้องแก้คิดดูต่อแต่ละวันแต่ละวันเราจะต้องแก้ปัญหาปัญหาอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเช้าขึ้นมาเราจะต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างทั้งหน้าหล้างตาแปรงฟันอายุบหายอยู่หากินทํานนทํานี้ทํางานทําการทําอะไรอะไรสารพัดนั่นแหละคือแก้ปัญหาแต่ละอย่างแต่ละอย่าง ปัญหาให้กายได้อยู่ได้กินปัญหาจิตใจได้รับความเฉื่อยเพลนเบิกบ่าได้รับความสุขทางด้านจิตใจเรามาคิดดูเถชีวิตเราในเราอยู่ด้วยการแก้ปัญหาแต่บางครั้งการแก้ปัญหาของเราเนี่ยปัญหามันทับปัญหาปัญหามันถมปัญหาปัญหามันทับถมปัญหาบางครั้งเรายิ่งแก้ปัญหาบางอย่างยิ่งแก้ก็ยิงมัดยิ่งแก้ก็ยิงมัดเพราะเราไม่รู้จะอุบายวิธีที่จะแก้ ในที่สุดเราก็ิดหลงเคลิมแก้ตามวิธีการที่กิเลสมันป้อนให้เราหลงเคลิมเดินตามหลักของสมุทัยสมุทัยเพลินไปกับอานาของตัณหาเพราะตัณหามันเรื่องของความเห็นแก่ตัวทําให้เรานึกเราคิดเข้าตัวหมดอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาเข้าตัวเพื่อตัวเข้าตนเพื่อตนเรื่องของเข้าตัวเพื่อตัวเข้าตนเพื่อตัวนี่แหละ มันทําให้คนเรานะมีทิฏฐิมีมานะความประพฤติด้วยความเห็นแก่ตัวแก่ตนเนี่ยบางทีมันยอมทิ้งหมดคุณเอาความดีที่เคยสะสมอบรมมาเคยสั่งสมอบรมมายอมทิ้งเพราะที่ว่าจะได้สิ่งที่ดีกว่าอทิ้งเนื้อข้นเล็กเพื่อที่จะเอาเนื้อคนใหญ่กว่างท่นั้นแห่ะทิ้งงานที่ดำๆเร็วๆหวังจะเอางานที่ดีๆสูงๆตามที่อานาจเกียรตมันยั่ว ย, ยุในหัวใจของเรา ความอยากความอยากนะคิดว่าจะดีกว่าคิดว่าจะได้มากกว่าคิดว่าจะได้ที่ที่สูงกว่าจะได้ที่มีความจะได้ที่ที่มีความสุขกว่าถูกมันหลอกอยู่ร่าไปแต่ความคิดเห็นตามอหน้าของสมุทัยนั้นมันเป็นความนึกคิดที่เห็นแก่ตัวทั้งนั้นซึ่งตรงกันข้ามกับความคิดตามหลักของพระที่พระเจ้าท่านสอนเพราะฉะนั้นในเมื่อเราหยิบ สมุทัยขึ้นมาเราให้ยิบต้องหยิบมกัมกนึ่ด้วยมักหนเป็นขนทางาที่พริพุทธเจ้าท่านสอนนเมื่อเราหยิบสมุทัยขึ้นมาเป็นเห็นให้เราได้ศึกษาเรื่องของตันหาทั้งหลายทั้งปวงเราตั้งใจจะศึกษาเรื่องของตันหาเราจะต้องย้อนมาดูที่ใจของเรามาดูของจริงของจริงก็คือความอยากในหวัวใจของเราอยากอะไรถ้าอยากเพื่อราคาเพื่อโทรศัพท์เพื่อความโลภ ก็อิจฉาที่เสียเพื่อพยาบาทความอยากทั้งหลายทั้งปวงหรอนั้นนี่แหละคือเหตุของสมุทยัยเราหลงเคลิมทําตามไปปับ๊บ mm hmm. เหมือนกับเรางับเบ็ดละ mm hmm. พอเรางับ mm hmm. ปับ๊บ mm hmm. เบ็ดจะต้องเกาะปากละงับปับเบ็ดจะต้องเกาะปากนี่คือสมุทยัยแต่ตอนที่มันจะให้เรางับนะมันทําให้เราหลงเคลิมเยอะไปเลยเนะ mm hmm. เห็นแก่เยื่อไม่รู้เดยซ้ําไปว่าเยื่อนะั้นมันมีเบ็ดเกาะ บางทีเรารู้อยู่ว่ามีเบ็ดเ ก, นนะกาะหมายความว่าเอาหัวใจของเราไปเทียบ ว, ว่าสิ่ง น, นี้เรารู้อยู่เราเกี่ยวข้องระพูทันไปปั๊บก็จะต้องไปมีความทุกอย่างนี้มีความทุกอย่างนี้แต่ยังไงก็ช่างเถอะตอนนี้เรามีความอยากมีความต้องการขอสมใจขอสมอยากก็แล้วกันเราเห็นไหมพวกคนเขายาบ้าเขาบอกว่ยาบ้ายาบ้ายาบ้าบ้าก็ช่างเถอะลองรู้สักคน อันนี้เล่านะเล่านะตับแข็งนะเส้นเลหอดหดฝอยตีบตันนะนะโรคตับแข็งนะจ่างเถอะตายก็ช่างเถอะบางทีอยากลองลองไปลงมาติดพอติดไปแล้วนี่พอเวลามันต้องการมันก็เรียกร้องพอเวลามันเรียกร้องขึ้นมาอุ้ยตายช่างเถอะคอยได้สนองก็ตายช่างเถะคอยได้สนองนักนักเข้าวตายจริงๆตายเพราะกินเล่าเคยเห็นมาแล้ว ตายช่างมันตายช่างมันนแหละได้ยินคำนี้ด้วยตาย่างมันในสุดเขาก็ตายเพราะอย่างนั้นจริงๆนี่คือมันย่่ยยุ่งให้เราต้องเดินตามมันพอเราลงเคลิ้มปับเรารู้อยู่ว่ามีเหยื่อกาออยู่แต่ก็ไม่พ้นที่เราจะนับเข้าไปสู้ริษ์สูริษวสวหน้าของความความอยากมันก็สิประสาทไม่ได้เรายกสมุทัยขึ้นมาเราก็ต้องยกมากนึด้วย พอยกมาคขึ้นมารเราก็มีข้อปฏิบัติเพราะสมุทัยเหล่านี้เรารู้ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราศึกษายัางไงเราจะชะล้างอย่างไงเราจะหมดไปอย่างไว้ใจของเราท่านจึงให้มีทางปฏิบัติมีข้อปฏิบัติมัคมัคม์มคเป็นทางดําเนินทางดําเนินคือทางเดินของใจเป็นข้อปฏิบัติทางเดินของใจคือข้อปฏิบัติเรามองไปแล้ว ไม่มีอะไรเกินศีลเกินสมาธิเกินปัญญาเราก็เพิ่มเข้าไปทานนี้เพราะการให้ทานเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคนที่ตั้งใจให้ทานนั้นอย่างน้อยๆยังไม่รู้อะไรอย่างอื่นมากมายเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้กระโดดเข้าไปอยู่บนเส้นทางแห่งการสร้างคุณงามความดีคนที่จะเสียสละให้ทานได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เหมือนอย่างที่บางคนมีวิชาทิฐิเห็นเด็กแก่ตัวความเห็นแก่ตัวตัณหามันโผล่ขึ้นมาที่ใจมันไม่เคยเปิดโอกาสให้เราเสียสละได้หรอกเหมือนอย่างที่ลงตาตันว่าเนั่นแหละบางคนเนี่ยอามากรรมจนมือจนโชคเงื่อโชคเงิมือน่ะจะให้จะให้จะให้ใ ห, ให้ยังไม่ได้เงื่อโชคมือนั่นแหะกับเอศนบัตนับบะ น, น่ะจะบริจาคบริจาคไม่ได้เงื่อโชคมือเราจะบริจาคบริจาคได้จะให้นู้นจะให้นี้เปิ่เสียได้ ที่ที่ที่ถนัดจะให้ทานก็เสียดายใช้โน้ตเสียดายใช้นี้เสียดายโอ้เสียดายใช้เองเสียดายมากินเองเสียดายมาพบบริภูดีจะรักษาศีลกูเสียจะกูจะเสียเปรียบเคยฆ่าสัตว์ไม่ได้ฆ่าเคยรักทรัพย์ไม่ได้รักเคยผิดลูกผิดผัวผิดเมียใกล้ชิดผู้หญิงผู้ชายไม่กล้าเสียสลักเสียรายเสียสลากไปเราเสียเปรียบคนอื่นอืม หนึ่งเสียดายสองเสียเปรีย่ยนกลัวเสียเปรียนมองไม่ทะลุกวกเรามองไปกรติแค่นั้นพระพุทธเจ้าท่า ส, สอนสอนให้เรามองให้ทะลุการให้ทานนั้นน่ะมีผลมีอณิสงให้หนึ่งมันไม่ใช่ได้หนึ่งได้ผลร้อยเท่าพันทวีเยาว่าให้หนึ่งได้หนึ่งให้สองได้สองไม่ใช่การทำบุญให้ทานเราให้ปับ๊บได้ผลร้อยเท่าพันทวีได้ผลร้อยเท่าพันทวี การให้ผลของบุญการให้ผลของบาปเช่นเดียวกันไม่ใช่เราทำแค่นี้ได้ผลแค่นี้ตีสับ ต, ตายแค่นี้เราได้ทุกได้โทษแค่นี้ได้รับทุกได้ได้รับโทษถึงเจ็บถึงขั้นตายก็ต้องถึงตายการทำทำทุกการทำบุญให้ทานกให้ผลร้อยเท่าพันตมีการทำบุญก็ให้ผลร้อยเท่าพันตมีไม่ใช่สัทำแค่ทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สอง เระฉะนั้นท่านจึงให้สำโลงเ ร, ราไม่ระวังเรื่องบาปกรรมและให้ตั้งอกตั้งใจสร้างบุญงามความดีเพราะมันไม่ใช่ให้ผลเท่าที่เราคาดเราคิดโดยเหตุที่ให้ผลเกินคาดเกินประมาณอย่างนี้เองพุทธเจ้าท่านพระสงฆสาวพระยาโสาท่านมองทะลุท่านสามารถเสียสละเรา้รู้โดพุทธเจ้าท่านเสียสลัทานของเน่า ก, กายจนหมดไม่มีอะไรเหลือทานอวัยวะเป็นทานทานชีวิตเป็นทานเราทําตามได้ไหม แต่นี้เป็นวิสัยของสมมาสัมพุทธะถ้าไม่เสียสละถึงขั้นนี้ถึงระดั บ, บนี้เอาชนะความโลภไม่ได้ศึกษามาเพื่อรู้เท่าทันความโลภมันไม่ใช่ของง่ายพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญมาวิถีทางเดินของตรงบำเพ็ญเพื่อชนะความโลภเพื่อชนะความโกรธเพราะาโลภสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ติดความโลภเป็นสิ่งที่พายติดความโกรธเป็นสิ่งที่พายติดพิจารณาเรื่องปัญญานี้หาทางช่องออก จนเห็นช่องทางเล็ที่ลอดออกไปจนได้มีวิธีทางของพื้นเจ้าท่านพาทำเพราะงั้นบา ร, บรมีทั้งสิบทักษิณ ม, มีการให้ทานมันก็เป็นต้นทุนของการสร้างบารมีการตั้งแครรักษาศีลการตั้งการออกบวชทานศีลเนคธรรมปัญญาวิ ท, ยทิยถาคตสัจจะอธิษฐ า, านเมตตาอเบคาแต่ละอย่างแต่ละอย่างพุทธิยถาทำอย่างสมบูรณ์ที่สุด ทำแบบพื้นพื้รมดาทาแบบกลางๆขยับเข้าไปอีกทําแบบหนักแน่นละเอียดลึกเข้าไปถึงขั้นประมัติอระาระมีพระเจ้าต้องทรงทำมาไม่งั้นพระองค์ไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดตัดสูุเองโดยชอบเป็นสมาสัมพุท ธ, ธาได้ด้วยเหตุที่ความเฉียสละยิ่งใหญ่นี้เองพอสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่คอยรอยจังหวะคอยรอยเวลาที่จะได้มาตัสรู้ถ้าหากพวกเราไม่ เปิดมาได้ประสบพบเห็นคำ บ, บอกคำสอนของพระองค์พวกเราก็ไม่ต่างราไรกับถูกครอบยุรบิรกลาไม่มีแสงสว่างแห่งสติปัญญาอะไรที่จะรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวเลยนะดีไม่ดีไม่ได้เป็นมนุษย์ออกไปเป็นสัตว์ไปเป็นนน่นไปเป็นนี่ไปไ ป, ไปตามบุญตามกรรมไปแต่ว่าบุญกรรมทั้งหลายทั้งปวงมันมีทั้งยามมีทั้งละเอียดอด้วยเหตุที่เราคลุกครีดีโมงมีกับกี่การกี่ปุเรชาติสับเปลี่ยนพบชาติกันไม่รู้จักจบไม่รู้จกสิ้น เกิดเป็นสัตว์ก็สามารถทำความดีได้ความดีไม่ใช่ทํำเล่นหนึ่งอย่างที่กแล้วนั่นแหละให้ผลร้อยเท่าพันทวีแม้แต่ภพชาติที่เป็นสัตว์ทําความดีขั้นหนึ่งระดับหนึ่งก็ทรงผลไปไหนพบได้ชาติละเอียดมากกว่าอตายปุ๊บไปอุบาตใหม่อ้าวไปได้พบภูมิที่ดีกว่าเป็นมนุษย์นี่ไปเป็นเทวดาแม้แต่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ับตามเทวดาก็ถือว่าเป็นภพชาติที่ไปเสวยบุญพรอหมดอายุไขก็ตก ต้องไปอยู่ในตาบุญตามกรรมที่จะพึงไดประสบพบเพ็ีเป็นมนุษย์ก็ตามตั้งใจทําคุณงามความผิดตายไปแล้วไปอุบัติเป็นเทวดาเช่นนั้นเช่นนั้นก็ได้ดีไม่ดีเหลือไม่พอที่จะได้มาเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เนี่ยมันสัตว์เปลี่ยนกันไปมาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ไม่ประมาทไม่ให้ประมาทให้นิ่งนอนใจตราบไปที่เรายังเป็นมนุษย์มีความสำาึกรู้สึกตัวเต็มร้อยไม่เหมือนสัตว์ สัตว์ก็มีเต่สัญชาตญาณก็มีมีความรู้สึกลึกคิดมากกว่าสัญชาตญาณมาสมัยกันนึงก็มีเช่นอย่างพวกลิงเนี้ยเรามาฝึกได้ช้างฝึกได้มหมาฝึกได้บ้างอะไรบ้างนะเขานะว่าเขามีสัญชาตญาณที่มีความรู้มากขึ้นมาสักหน่อยสัตว์บางจำพวกมีสัตว์ทีว่าเป็นสัญชาตญาณเราเห็นไหมสัตว์บางจำพวกมันไม่รู้จักกลัวกล้าอะไรโดยทั่วไป มันอยางสัตว์บางอย่างเนี่ยเขาเห็นมันเห็นเราไม่ใช่มันไม่ได้กลัวอะไรสัตว์บางอย่างมันมีสัญชาติญาณกลัวแล้งนี่แต่มนุษย์เรามีปัญญาพัฒนาไปได้รวดเร็วมากกว่านั้นเมื่อเราทราบเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็พยายามบริเวนสิ่งที่ต่ำซ้เดนบนเส้นทางที่ตั้งใจบาเพ็ญไปเพื่ความบริสุทธิ์ทั้งด้านจิตทังินทั้งสมาธิทั้งปัญญา เป็นแนวทางที่เราจะทำทำให้มากจเจริญให้มากเราพูดเพื่อเป็นการให้เราได้เพิ่มพูนความเลื่อใมใสศรัทธาได้รับความรอบรู้อายุบาลใบวิธีพอตอนนี้พอประมาณก่อนเราทาความสง บ, บตามที่เราต้องการทำ ไปอีกสักเท่าไรครึ้งชั่วโมงได้ไหมได้ครับหดมดไปกันได้ไหมฮะ ใครไม่เคยทนร้อนก็พิจารณาความร้อนกันแล้วกันน ะ, ะเราน้่งภาวนาได้ยี่สิบกว่าน า, นาทีเออเรา กัด <c oughs> เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเป็นไงเดี๋ยวนี้ที่นี่เวลาประมาณเท่าไหร่โอเดิอดจ้าแต่ลมลมกำลงังโชยมาดีมากฮ ะ, ะเป็นไงนั่งภาวนาตากแดดวันนี้โอน่าจะไม่เคยมีในชีวิตเลยนะ <c oughs> เพราะนั่งภาวนาตากแดด นะความร้อนมันก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่นทงทนเองใครเคยสู้เวทนาเนี่ยมันจะเรื่องธรรมดาไปหมดแหละนะแคเที่ยวสู้เวทนาเจ็บปวดอันนี้มันนิดหน่อยเองมันไม่ถึงถกับเจ็บกระปวดเนี่ยแค่ร้อนนิดหน่อยทนเองแต่ถ้าใจร้อนเนี่ยมันร้อนมากกว่า น, นี้ ไปใจร้อนมันร้อนมากกว่านี้ที่กายร้อนเนี่ยกายมันร้อนเอาเอาใจจาะไปดูกายมันก็หมดสําคัญหมดความสําคัญว่าร้อนแล้วเห็นแต่สักแค่ว่าเป็นอาการยังไงยังไงเราก็รู้อาการความร้อนเป็นอย่างงี้อ๋ออาการความร้อนเป็นอย่างงี้มันไม่เห็นเหลือบากร้อนเนี่ยไอ็ที่ร้อนก็ร้อนไปใจผู้รู้ว่าร้อนเนี่ยมันได้ข้อเทียบเพียงไปหมดมันได้ไประโยชน์นะ <laughs> พวกเราอ่านหัตถ์สมาแล้วไปเวียนเียนแล้วก็แล้วก็หมดเวลาแลว